ท่านพูจเจริญทั้งหลายวันนี้รู้สึกว่าเป็นโอกาสีที่อาตมาได้มีโอกาสมาพบกับท่านนักศึกษาธรรมะได้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายความจริงธรรมะในด้านการศึกษาซึ่งเรียกว่าปริจัติธรรมนั้น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 พระเจ้าประสงค์ท่านก็แสดงธรรมให้ฟังแต่ฟังฟังไปก็รู้สึกว่าแต่และท่านก็แสดงธรรมได้กว้างฟังพิสดารรายละเอียดละออดีมากบางทีก็รู้สึกว่าสับสนจากต้นชนปลายไม่ถูกไม่ทราบว่าเราจะหยิบเอาอันใดมาเป็นหลักปฏิบัติ เพราะผู้แสดงก็มุ่งที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจนั่นเองใครมีภูมิเพียงใดขนาดไหนก็แสดงออกอย่างเต็มที่เต็มความสามารถของตนเองธรรมะในคำที่พัตรัลยพิดกกล่าวกันว่ามีถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนี่ไม่ใช่ของน้อย มาคิดคิดรูแล้วก็น่าหนักใจ 84, แปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นี่เราจะนำมาปฏิบัติอย่างไรถ้าเราจะเข้าใจธรรมะในหลักคมพีในหลักปริยัตินั้นมีมากมายกว้างฝัางเหลือเกินแต่ถ้าเราจะสรุปให้มันสั้นๆเข้าเราก็จะได้ความว่าธรรมะ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 จิตเจตสิกโลปนิพพานพูดถึงโลค ก, ก็คือเรื่องของกายจิตก็คือเรื่องของจิตของใจนั่นเองแต่บางท่านก็ยังบังอาจว่าธรรมะไม่ใช่กายกับใจแต่ความจริงถ้าใครจะถามว่าธรรมะคือคืออะไรเราก็จะได้คำตอบว่าธรรมะคือกายกับใจ เพื่อจะทําความเข้าใจกับบรราท่านผู้ฟังทั้งหลาย <c oughs> ความหมายของคําว่าธรรมะคือคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราพอที่จะแยกเป็นประเดน็นใหญ่ๆได้สองประเดน็นเพื่อหนึ่งธรรมะอันเป็นหลักคําสอนได้แก่ศีลสมาธิปัญญา ศีล ส, สมาธิปัญญาที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่จะมีได้ในสมัยสมัยที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเท่านั้นนอกเหนือไปจากนั้นอย่างดีก็มีกระท้อนกระแท่นไม่เป็นหมวดเป็นหมู่ไม่เป็นระเบบไม่พอที่จะจับเป็นหลักปฏิบัติเพื่อดำเนินจิตไปสู่มรรคผลนิพพานได้ แม้แต่การทำสมาธิภาวนาก็มีมาในสมัยก่อนพุทธกาลในพุทธประวัติก็ยังมีหลักฐานเด่นหยัดอยู่ว่าเมื่อท่านชายสิทธัตถะเสด็จออกบัพพชาในระยะแรกก็ไปเรียนสมาธิในสำนักของอุทธกะดาบทและอารารดาบท อันนี้ก็สอนแสดงว่าหลักการปฏิบัติสมาธิมีก่อนพุทธการแต่ในตอนนี้จะยังไม่พูดถึงหลักธรรมะที่เป็นคำสอนก็คือศีลสมาธิปัญญาดังที่เราได้ยินได้ฟังกันมาอันนี้เป็นหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงทีนี้ธรรมะอันเป็นฝ่ายสภาวะธรรมซึ่งได้แก่กายกับใจนั้น นอกจากจะได้แก่กายกับใจแล้วยังมีสถานการณ์ในสิ่งแวดลอ้อมสิ่งที่เราประสบอยู่เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันเป็นเรื่องของสภาวธรรมทั้งนั้นโดยที่สุดแม่วิชาความรู้ที่เราเรียนมาไม่ว่าศาสตร์ไหนสาขาไหนทั้งนั้นเป็นเรื่องของสภาวธรรมรวมความแล้ ว, ว่าสิ่งใดที่เราสามารถรู้กันด้วยจิตใจ สิ่งนั้นคือธรรมะอันเป็นสภาวะธรรมเรียกกันว่าธรรมะทั้งนั้น <c oughs> ถ้าเราทำความเข้าใจในคำว่าธรรมะคาสัมสอนในสองแง่สองประเด็นดังที่กล่าวมาดีเราจะเข้าใจแจ่มแจ้งที่นี้การเรียนธรรมะ เนื้อการปฏิบัติธรรมะการเรียนธรรมะก็คือเรียนให้รู้เรื่องของกายแหล่ใจการปฏิบัติธรรมะก็ปฏิบัติอยู่ที่กายแหล่ใจไม่ใช่ที่อื่นเช่นอย่างกายเวทนาจิตธรรมในหลักมหาเสดสติปฐานก็เป็นเรื่องของกายกับใจโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในหมวดเบญจขันธ์ ก็เป็นเรื่องของกายหลายใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องปรมัติเป็นเรื่องของจิตใจกับเรื่องของกิเลสก็เป็นเรื่องของกายเรื่องของใจทางนั้นในกฎธรรมชาติของสภาวธรรมที่เราจะเรียนให้รู้ก็อยู่ในหลักของพระใจรัก ทุกเิิงทุกอย่างมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ความคิดของเราขณะนี้ก็ยังรู้สึกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงของความคิดพระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าอานิจจคือความไม่เที่ยงความไม่ทรงอยู่ตลอดกาลของความคิดพระองค์บัญญัติว่าทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ การที่ความคิ ด, ดนั้นดำรงอยู่ตลอดกาลไม่ได้พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าอนัตตาอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมที่จะพึงเป็นไปไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่มีอยู่ในโลกในจักรวาลี้อยู่ในกฎของอนิจจงทุกขังอนัตตาทั้งนั้นสิ่งใดที่เราปรดถนาไม่สมหวังก็อนิจจง ราถนะแล้วสมหวังภายหลังมีอันเสื่อมสูญไปก็อนิจจังไม่ว่าอะไรอะไรทั้งนั้นที่เป็นไปโดยที่เราไม่ชอบใจเราถือว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแม้แต่กฎของนักวิทยาศาสตร์เขาก็ว่าในจักรวาล น, นี้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อโนปรมาตูจนกระทั่งมวลสารที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โต กฎธรรมชาติของเขาก็มีปรากฏการขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดแล้วย่อมสลายตัวอันนี้คือกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมที่จะพึงเป็นไปกายกับใจของเราก็เป็นสภาวะธรรมเพราะกายกับใจของเรามีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเรียกว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา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 แต่ความไม่เที่ยงในท้าข้างฝ่ายที่เป็นไปเพื่อความเจริญนั้นทุกทุกคนชอบแต่ถ้าหากว่าในตรงกันข้ามทางร่างกายก็เจริญเติบโตไม่เต็มที่เป็นโรคภยัยไข้เจ็บกระจอกงอกข่อยวิชาความรู้ก็ไม่สมบูรณ์หรืออยากจะเรียนมันสมองก็ไม่ให้ไม่อำหนวยทำงานทำการไม่สมประสงค์กีดลาด หลักฐานงอนแงนคลอนแคลนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงไปนในข้างฝ่ายเสื่อมเปลี่ยนทั้งข้างฝ่ายเสื่อมก็เรียกว่าอันนี้จังเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันแต่สิ่งใดที่มันเปลี่ยนแปลงในข้างที่เป็นข้างฝ่ายเสื่อมทุกคนไม่ชอบที่เราไม่ชอบเพราะว่าเรายึดสิ่งนั้นว่าเป็นของของเราควรจะเป็นไปตามความต้องการของเรา แต่โดยกฎธรรมชาติแล้วมีหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปตามความปรารถนาของเราทั้งหมดเป็นไปไม่ได้แม้แต่การงานที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันบางทีก็ผิดพลาดหมาะไฟฟ้าติตั้งเอาไว้ดีๆบางทีประสบอุบัติเหตุระเบิดขึ้นมาก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมทั้งนั้น อันนี้เป็นการดูความเปลี่ยนแปลงของสภาวธรรมซึ่งเป็นเรื่องของปัจจุบันโดยอาศัยข้าที่ว่าสภาวธรรมคือกายกับใจสถานการณ์หรืสิ่งแวดลอ้อมมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนอยู่ทุกลมหายใจเปลี่ยนอยู่ทุกขณะจิตและเราก็ได้รับความดีใจเสียใจได้รับความสมหวังผิดวังอยู่ทุกขณะจิตเช่นเดียวกัน ทางนี้ทา้งนั้นก็เพราะอาศัยว่าเรายึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของของเราในเมื่อเรายึดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของขอ ง, ของเราของของเรามีอันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ชอบเราก็เกิดทุกข์ที่เราเกิดทุกข์เพราะอะไรเพราะเราขาดสติสัมปชัญญะประการหนึ่ง แล้วเรายังไม่รู้ซึ่งเห็นจริงตามกฎของธรรมชาติอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราพูดได้เราคิดได้แต่ว่าจิตใจพวกเรามันยังไม่รู้ซึ้งเพราะเรายังขาดสติเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจริงต้องอบรมสติสัมปชัญญะตัวนี้ให้มีพลังงานเข้มข้นขึ้นเพื่อจะได้สร้างธรรมัภาพทางจิตให้มีความเข้มแข็ง สามารถที่จะต่อต้านเหตุการณ์ต่างๆหรือสามารถที่จะรักษาสภาพจิตให้ดำรงอยู่ในความเป็นปกติได้ตลอดกาลดังนั้นตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาท่านจึงมีอุบายวิธีใหญ่ๆสำหรับการฝึกจิตซึ่งเรียกว่าอบรมหรือปฏิบัติสมาธิ ที่เราเข้าใจโดยโ ท, ทั่วไปก็คือการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเมื่อสักครู่นี้ก็มีผู้มาถามเรื่องสมถวิปัสสนากรรมฐานเดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ในช่วงใด ในขณะใดของจิตอันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันแต่ความจริงคำว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเป็นแต่เพียงวิธีการโู้ที่ปฏิบัติด้วยวิธีการเท่งกะสินหรือการบริกรรมภาวนาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของสมถะ โทษที่ปฏิบัติโดยการใช้ความคิดพิจารณาในสิ่งต่างๆที่เราสามารถจะนํามาพิจารณาได้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะหรือเราจะกําหนดรู้ที่จิตคอยดูความคิดที่จะเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นๆแล้วทําสติตามรู้ความคิดได้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามวิธีการของวิปัสสนา ทั้งวิธีการของวิสมถติแะวิปัสนาทั้งสองอย่างนี้จุดมุ่งจู่ที่การทำจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิเพื่อจะได้มีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแต่โดยเนื้อหาความเป็นจริงแล้วทั้งวิธีสมัต ท, ทั้งวิธีสมาวิปัสนา เป็นวิธีการฝึกอบรมสมาธิด้วยกันท้งนั้นในเมื่อจิตมีความสง บ, บเป็นสมาธิลงไปเพราะการปฏิบัติสองแบบนี้สองวิธีนี้สภาพจิตที่เป็นสมาธิมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันต่างแต่วิธีการ ถ้าหาท่านจะทำความเข้าใจว่าสมาธาก็ดีวิปัสสนากดีเป็นแต่เพียงวิธีการเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำสมาธิให้ได้สมาธาได้ทานได้่างแล้วจึงจะเดินวิปัสสนาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นถ้่าที่ได้ทดสอบดูด้วยตนเอง ในบางครั้งเราตั้งใจว่าจะบริกรรมภาวนา พ, ทพทุทโธพุทโธทำใจให้สงบพอเปนที่สบายเท่านั้นก็พอแล้วจะเอาการเจียงแค่นี้แต่เมื่อทําลงไปจริงๆแล้วพวทุพวโทโธพุทโธไปพอใจสงบลงไปแทนที่เขาจะเป็นนิ่งอยู่เฉยๆเราเกิดความคิดตั้งธูขึ้นมาอย่างกระนาำพุนี่ประสบการณ์จริงมันเป็นอย่างนี้ แต่บางครั้งตั้งใจพิจารณาอนิจจ์ทครั้งอนลนาตาลุกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เพียงแค่เป็นแคบขาดอยากจะให้เจ็บมันเดินก้าวๆไปสู่ทางแห่งวิปัสสนาเมื่อมันสงบลงไปแล้วมันก็ไปนิ่งสว่างอยู่เฉยๆไม่มีความคิดอ่านนี่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ เท่าที่เรามีความคิดเห็นขัดแย้งกันสมสถะคืออย่างไรมีปัสนาคืออย่างไรกันอยู่เข้าใจว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนายังไม่ถึงขัน้นเข้าใจว่าคงจะไปยึดเอาแบบาำรับตารามาขัดแย้งกันมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรม เพื่อให้ได้คนนุณธรรมเป็นที่สบายใจหรือให้ได้สติปัญญาสำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันของท่านได้อย่างแท้จริงอยากจะขอบอกว่าเลิกเชื่อคนอื่นเสียถ้าไม่เชื่อคนอื่นเล้วไปเชื่อใครเชื่อตัวเองสิ อย่างสมมติว่าท่านจะตั้งใจบริกรรมภาวนายกหนอะพองหนอสัมมาอรหังโพธโอก็ ด, ทกดีท่านยึดหลักอันใดเป็นหลักบริกรรมภาวนาก็เอาสิ่งนั้นอย่างจริงจังลงไปไม่ต้องไปหยิบโน้นวางนี่หยิบโน้นวางนี่จะบริกรรมภาวนาก็บริกรรมภาวนาโพธโทโพธโทพโพธโธไปจนกระทั่งจิตมันบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ เดนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเว้นแต่เวลาพูดกับคิดจะท่องพุทโทไว้ประจำจติดทุกลมหายใจก็ยังได้นอกจากจะท่องพุทโทแล้วเรายังสามารถจะท่องยุบหนอพองหนอสัมมาอระหังได้ทั้งนั้นตามที่เราเข้าใจกันสายการปฏิบัติ สมถะวิปัสนาอันเป็นสายใหญ่ๆก็คือสายพุโทโธยกหนอฟองหนอสัมมาอารหังในบางครั้งบางท่านบางอาจารย์ก็ําเรื่องวิธีการเหล่านี้มาขัดแย้งกันบางทีก็ภาวนาพุโทโธก็ได้แต่เพียงสมถะเท่านั้นแหละยกหนอฟองหนอก็ได้แต่เพียงสมถะแค่นั้นแหละฟังฟังดูแล้วมันก็ออกจะสับสนอยู่ ใน้เมื่อมันมีความสับสนอย่างนี้มันก็ทำให้เป็นที่หนักใจเป็นที่ลังเลสงสัยของผู้ที่กำลังเริ่มจะสร้งต้นปฏิบัติใหม่ไม่ทราบว่าจะเอาตามแบบของใครสำหรับในโอกาสนี้อาตจจมาขอยืนยันว่าทุกแบบทุกต้องและใช่การได้ทั้งนั้น ที่นั่งฟังอยู่เวลานี้บางท่านอาจจะปฏิบัติมาแบบสัมมาอรหังบางท่านอาจจะพโพธิโธบางท่านอาจจะยุบหนอปองหนอโภกแบบตัางที่กล่าวมานี้ใช่การได้ฉะนั้นขอให้ท่านเอาจริงเพียงอย่างเดียวแบบและวิธีการดังที่กล่าวมานี้จะใช่การไม่ได้ก็ต่อเมื่อท่านไม่แน่ใจถ้าหากว่าท่านจะแน่ใจ จะเอาแบบไหนก็ได้นอกจากคําว่ายกหนอปองหนอโคดโทสัมมาอารหังจะเอาแบบไหนคาไหนได้ทั้งนั้นแม้แต่ว่าขณะนี้ท่านอาจจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ที่บ้านนั่งฟังเทศแล้วใจมันก็แวบไปคิดถึงคนอยู่ที่บ้านเอาชื่อของคนที่บ้านมาบริกรรมภาวนาเสียเลย แล้วมันก็เป็นอบายที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้ถ้าเราเอาจริงอย่างในบางครั้งบางทีพระพิสุนมไปภาวนาอยู่ในป่าจิตมันวิตกถึงเจ้าสาวภาวนาพโพธิสักเท่าไหร่มันไม่อยู่มันวิ่งไปเรียกชื่อของคนที่มันคิดถึกคนที่มันชอบลงผลสุดท้ายเอาชื่อของเขามาบริกรรมภาวนาเส้นเลยเสร็จแล้วมันก็ทาให้จิตสงบได้ เพราะมันติดอยู่แล้วพอไปนึกถึงสักต่เดียวมันก็ติดติดแล้วมันก็เกิดความสงบปล่อยวางสิ่งอื่นหมดสามารถที่จะสร้างมโนภาพขึ้นมาเป็นภาพในมิตมองเห็นผู้ที่ระลึกนึกถึงนั้นเป็นตัวยืนต่างงานอยู่ต่อหน้าเพราะอาศัยความที่จิตมีความสงบจะทับไปที่ตรงไหนเนื้อหนังมันพังลงไปหมดลงผลสุดท้ายยังเหลือแต่โครงกระดูก ในมันทักว่าคนสวยนี่โครงกระดูกมันก็สวยพอทักไปโครงกระดูกมันก็สลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือนักภาวนาท่านนั้นก็ได้สติสัมปชัญญะเมื่อตื่นจากพระวังจากสมาธิมาแล้วก็ได้สติปัญญารู้ขึ้นมาว่าเราจะเอาความรักไปวางไว้ที่ไหนคนที่เรารักนั่นมันสลายตัวไปแล้ว มันหาตัวหาตนไม่ได้เราจะเอาความลับของเราไปวางไว้ที่ไหนมันไม่มีที่หลองรับแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ได้สติปัญญาแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเรื่องหลักและวิธีการภาวนาเนี่ยท่านผู้ใดยึดหลักใดแบบไหนเป็นหลักการบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาก็แล้วแต่ให้ยึดหลักของท่านให้มั่นคงอย่ามัวไปเชื่อแต่คนอื่น พระพุทธเจ้าท่านก็ยังกล่าวออกตัวว่าอาขาตาโรจตถาคตาพระตถ า, าคตเจ้าเป็นแต่เพียงผููบอกเท่านั้นแล้วทีนี้สาวกในสมัยปัจจุบันนี่ใครเอ่ยจะสามารถมาประกาศท้าทายว่าชั้นสามารถที่จะสอนคนให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็วไวแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังออกตัวอยู่แล้วใครจะไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ นี่อาจาาก็ได้พูดมาบางทีมันอาจจะออกนอกประเด็นไปเสียแล้วท่านทั้งหลายมุ่งที่อยากจะได้หลักการปฏิบัติมีผู้มาถามว่าวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องอะไรก็ให้คําตอบไปว่าจะโพูดเรื่องการทําสมาธิในชีวิตประจําวันหรือเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันการทําสมาธิ เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันเรามีหลักการที่จะฝึงยึดเป็นหลักปฏิบัติได้อยู่สามแบบแบบที่หนึ่งขอให้ท่านพยายามฝึกหัดทมสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทมพูดคิดทุกลมหายใจไปว่าท่านจะขยับไปทางไหนให้มีสติเว ท, ทีธรรมก็คือว่าธรรมสติ แล้วเลืกโกลัวลงที่จิตของเราวันที่เราจะเดินไปไหนมาไหนทําสติแล้วเลืกโกลัวลงที่จิตโลไว้ที่จิตเพียงอย่างเดียวเช่น <c oughs> อย่างท่านตั้งใจเจะว่า จ, จะเดินมาทํางานพอ <c oughs> <c oughs> เกิดมีความตั้งใจกำหนดสติโลที่จิตปั๊บ <c oughs> ทีนี้เมื่อท่านตั้งใจทําสติูลที่จิตแล้วท่านก้าวขาเดิน จิตเขายอมรู้เพราจิตเป็นผู้สั่งให้เดินเมื่อท่านจะหยุดจิตยอมรู้ก็าจิตเป็นผู้สั่งให้หยุดเวลาท่านเดิน <S an> <S an> จิตยอมรู knight, <S <S <an> <S ้เพราจิตเป็นผู้สั่งเวลาท่านั่งจิตรู้ก็าจิตเป็นผู้สั่งเวลานอนจิตโล้ก็าจิตเป็นผู้สั่งการรับทานดื่มทาพูดคิดก็เช่นเดียวกันจิตเขาเป็นผู้รู้เป็นผู้สั่ง อันนี้มันเป็นเรื่องของชีวิตประจําวันชื่นเดินนั่งนอนรับทานดื่มทําพูดคิดมันเป็นภาระจํายอมที่เราจะต้องทําอยู่แล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราช่วยโอกาสฝึกหัดทำสติโลดตามสิ่งเหล่านี้ฝึกหัดทำสติโลดตามโลทุกวาระจิตทุกลมหายใจได้ยิ่งดีการฝึกสมาธิแบบนี้ท่านอาจจะไม่ต้องเสียเวลานั่ง ไม่ต้องไปนั่งเข้าห้องกรรมาฐานเจ็ดวันสิบห้าวันเพียงจะฝึกทรรมสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิดทุกลมหายใจเท่านั้นการปฏิบัติเพียงแค่นี้โอกาสที่จิตจะสงบลงเป็นสมาธิอย่างแท้จริงจะมีได้ไหมแหละเมื่อไหร่โดยวิสัยของผู้ฝึกหัดรมสติตามรู้สิ่งดังกล่าวเมื่อเวลาก็นอนลงไป อนเราจะนอนหลับปุ๊บเลยทีเดียวไม่ได้ก่อนที่จะหลับก็ต้องมีการคิดโน่นคิดนี่สีปาถะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายเป็นนักธุรกิจย่อมจะมีความคิดสับสนภายในสมองก่อนที่จะนอนหลับทุกขืนเมื่อเกิดมีความคิดสับสนเกิดขึ้นเราฝึกทําสติตามรูปความคิดที่กําลังคิดอยู่ในขณะนอน ท่านจะติตามโลกความคิดไปจนกว่าจะนอนหลับในบางครั้งเมื่อหลับหลับแล้วก็หลับมืดไปอย่างธรรมดาแต่เมื่อฝึกคัดนานๆเข้าพอเกิดความหลับพักลงไปจิตจะสง บ, บเป็นสมาธิมีความสว่างสวัยเกิดขึ้นดังตัวอย่างในบางท่านที่อยู่ในพระนครนี่เขาเป็นนักธุรกิจ <c oughs> ซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มวสาว เขาบอกกับอาจาร์มาว่าอยากจะทำสมาธิแต่ไม่มีเวลานั่งจะทำอย่างไรก็แนะให้เขาทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจในระยะสิบห้าวันแรกเขารายงานผลไปว่าเวลานี้สบายมากสติทาหน้าที่ตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากนั้นเอกสักสิบห้าวัน เขารายงานผลไปว่าเมือ่อคืนนี้พอนอนหลับลงไปแล้วจิตเป็นสมาธิสว่างสวยัยแล้วปรากฏว่ามีกายอันหนึ่งเดินออกจากกายเดิมไปเที่ยวไปในป่าเข้าไปในป่าช้าแล้วไปยืนแก่งดูลุมฝังศพอีกสักพักหนึ่งซากศพลบก้นมาจากกลุมฝังศพแล้วมากระโดดกอดเขาก็สลัสลดซากศพออกไป แล้วเอามือไปบีบคอซากศพนั้นเฉีกเนื้อหนังมันโยนทิ้งทีละชิ้นสองชิ้นจนกระทั่งหมดพอยอนทิ้งชิ้นสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่จิตสงบสว่างสวัยลอยเด่นอยู่บนนภาอากาศอีกสพักหนึ่งร่างของเขาร่างเดิมของเขาปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นแล้วก็มาแสดงอาการคล้นอืดเน่าเปือ่อยผูพังจนกระทั่งสลายตัวไม่มีอะไรเหลือ พอเจดถอนจากสมาธิมาพอ ร, รู้สึกว่ามีกายเจดมันก็อธิบายให้ตัวเองฟังว่านี่คือการตายตายแล้วก็ต้องเน่าเน่าแล้วก็พิอาปฏิคูณหน้าเกล็ดในเมื่อสลายตัวไปก็แยกส่วนออกเป็นดินน้ำลมไฟหาสักบุคคลตัวตนเราเขาในร่างไม่มีมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคุมกันอยู่เท่านั้นก็เป็นเหตุให้เขารู้ หนึ่งโคความตายสองโรคอสุภกรรมาฐานสามโรคธาตุกรรมาฐานสี่โอนัตตาในอัตยในร่างกายของตัวตนเพราะเขาเห็นว่าร่างกายที่สักแต่วทาธาตุสี่หาสัตบุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้มันก็รู้อนัตตาเท่านั้นเองนี่คนที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยเพียงแต่ทำสติตามโร้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเท่านั้น ยังสามารถปฏิบัติธรรมู้ธรรมเห็นธรรมได้ขนาดนี้ที่ในี่ในหลักมหาสติปฐานก็มีการเจริญสติปัฏฐะเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทมพูดคิดให้ทำสติตามรู้อยู่ทุกขณะจิตเป็นการปฏิบัติสมถาาวิปัสนากรมาฐานแบบสาปนโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดข้อง แม้ว่าท่านทั้งหลายขณะที่ทํางานอยู่เอางานที่ทําในปัจจุบันเป็นอารมณ์เขียนหนังสือเอาการเขียนหนังสือเป็นอารมณ์ทําอะไรอยู่เอาสิ่งนั้นๆเป็นอารมณ์เพียงแต่ทาสติสำทับเข้าให้ชัดเจนลงไปเท่านั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทุกขณะจิตอันนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งวิทีการที่สอง อาศัยการบริกรรมภาวนากับการกําหนดตามรูวความคิดวิธีการก็คือว่าถ้ า, าว่าท่านมีการไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาหรือเจริญสมบูวิหารก็ทําตามจิตจังวัดที่เคยทําพอเสร็จแล้วจะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้ตามสบายแล้วก็นึกในใจท่องบริกรรมคาถาอันใดอันหนึ่งไว้ในใจจะเป็นคําว่าพธิโธก็ได้ หรืออะไรก็ได้ที่ท่านถนัดแล้ ว, วตั้งใจตั้งใจท่องบริกรรมภาวนาอยู่อย่างนั้นเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเป็นต้นถ้าว่าใจของท่านจะอยู่กับพุโทโธตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ปล่อยให้มันอยู่ไปท่องพุโทโธจนกระทั่งรู้สึกว่าใจของเราท่องพุโทโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจใจมันก็นึกถึงพุโทโธเองสติก็ตามรู้เอง โชคเสียงทุกอย่างมันพร้อมเป็นอัตโนมัติพอเหมาะพอดีแล้วใจจะท่องพุโทโธอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาก็ ป, ปล่อยให้มันท่องอยู่อย่างนั้นแม่จิตจะยังไม่สงบมีปีติมีความสุขอะไรเกิดขึ้นก็ต า, ามเอาบนเพียงแค่ว่าถ้าใจของเรามีที่ยึดสักอย่างหนึ่งอย่างเดียวแน่นมันเป็นอุบายวิธีที่จะพลาด ความคิดที่วุ่นวายเข้ามารวมอยู่จุดเดียวคือพุโทโธในมาจิตใจมาอยู่กับพุโทโธเพียงจุดเดียวนานๆานเข้าจิตก็จะเกิดมีความสงบ ก, การที่จิตท่องพุโทโธเองมีสติสัมปชัญญะรู้เองโดยอัตโนมัติผู้ภาวนาได้องค์ฐานที่หนึ่งกับองค์ฐานที่สองว้เป็นผลแล้วเคอวิตกกับวิจาร ในเมืรรจตมีวิตกวิจารณ์ปีติในความสุขจะไม่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อปีติในสุขเกิดขึ้นความสงบจิตซึ้นเรียกว่าสมาธิย่อมเกิดขึ้นมันจะมีผลสืบเนื่องกันไปเป็นลนระดับจากนี้แต่ในบางครั้งบางขณะถ้าหากว่าท่านท่องคาถาพโพธิ์โพธท์โพธิโพธอยู่ถ้าจิตของท่านเพ่งพโพธิ์ปับ๊บไปคิดถึงอย่างอื่น ส่วนมากเราจะได้ยินว่าเมื่อจิตทิ้งพุทโธแล้วให้เอากลับมาหาพุทโธอีกทีนี้อาตมะจะขอแนะนำวิธีแปลกๆซึ่งอาจจะแปลกสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทดสอบแต่สำหรับอาตมะเองและครูบาอาจารย์อื่นๆที่ท่านทดสอบมาแล้วก็ไม่เห็นเป็นของแปลก เมื่อเราท่องคาถาบริกรรมโพธโอโพธโอโพธโออยู่ถ้าจิตจะอยู่กับโพธโอก็ปล่อยเขาอยู่เรื่อยไปถ้าเขาไม่อยู่เขาทิ้งโพธโอเสียไปคิดถึงอย่างอื่นก็ปล่อยให้เขาคิดไปแต่เราทำสถิตามตรงไปเรื่อยยสิ่งที่จิตของเราจะไปคิดถึงนั้นก็ไม่มีอื่นนอกจากเรื่องการงานที่เราทำอยู่อันเป็นเรื่องของชีวิตประจำวัน ถ้าใครเป็นนักรมบัญชีพอจิตทิ้งพุโทโธแล้วมันจะเป็นนึกถึงเรื่องบัญชีใครเป็นนักวิชาการใดๆก็าตามเมื่อจิตทิ้งพุโทโธแล้วมันจะเป็นนึกถึงวิชาการนั้นๆพอมันนึกถึงอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปเรื่อยเมื่อสติสัมปชัญญะตัวนี้ตามทันความคิดเมื่อไรเราจะรู้เึกป่า ภายในจิตของเราเนี่ยมันแยกกันเป็นสองมิติมิตหนึ่งคือความคิดคิดไม่หยุดเอเตติหนึ่งตัวสติจะตามรู้อยู่ไม่หยุดเหมือนกันความคิดยิ่งเร็วขึ้นสติยิ่งแจ่มใสขึ้นลองพลนสุดท้ายมันก็จะเกิดตีปีติมีความสุขและสงบเป็นสมาธิได้เช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวะลาอย่างอื่นอันนี้เป็นหลักวิธีการที่สอง ส่วนวิธีการที่สามนั้นเมื่อท่านมีความจำเป็นจะต้องคิดครึ่องอะไรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธุงรกิจการงานที่ท่านทำอยู่ก็ตามให้ถือว่าการใช้ความเจ็นั้นเป็นการที่าจรณากรรมฐานขั้นถี่เช่นอย่างในที่นี้บางท่านอาจจะมีความรู้ในหลักวิชาการแตกต่างกัน บางท่านอาจจะรู้วิศวะไฟฟ้าบางท่านอาจจะรู้ทางวิทยาศาสตร์บางท่านอาจาาศาศาาอาจะรู้ทางกฎหมายหรือบางท่านอาจจะรู้ทางวิชาอื่นๆเมื่อท่านจําเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องวิชาการของท่านยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาคิดมาพิจารณาแล้วทําสติตามรู้ไปกับความคิดนั้นๆในทุกโอกาสที่ท่านใช้ความคิด ให้เคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะโดยเอาการคิดเป็นอารมณ์ของกรรมฐานคันทีในทำนองนี้จะสามารถทําให้ท่านมีจิตเป็นสมาธิมีสติสัมปชัญญะในเมื่อเราใช้วิชาการนั้นๆมาเป็นอารมณ์ในการคิดได้ถือว่าการคิดนั้นคือการปฏิบัติกรรมฐาน เราจะได้สติสัมปชัญญสะสนับสนุนกิจการที่เราทำอยู่ในเรื่องของชีวิตประจำวันเมื่อก่อนนี้เคยมีโลกสิทธิ์ไปบวชอยู่ที่วัดเป็นคนทำงานไฟฟ้าเขาเป็นพวกประเภทช่างเครื่องติดตั้งเครื่องเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าต่างๆมียกคราวหนึ่ง เขาได้รับคำสั่งให้ไปติดตั้งเครื่องไฟฟ้าที่จังหวัดอุบลเครื่องนั้นเป็นเครื่องใหม่ซึ่งเขาเองก็ยังไม่มีความชานาญเพียงพอไปกับเพื่อนกันก็ไปเก้ที่จะทำทาแล้วมันก็ไม่สาเร็จจนกระทั่งเกิดท่อแท้ใจขึ้นมากำลังจะทำรายงานส่งคืนขอช่างคนใหม่ไปทำแต่คนที่เคยไปบวชกับอาจมาที่วัดเขาบอกว่าไหนลองให้ทำสมาธิดูสิ ขอเวลาอีกสักคืนหนึ่งพอเสร็จแล้วเขาก็เข้าทำสมาธิตามแบบที่เขาเคยฝึกมาพอเกิดจิตสงบลงไปแล้วเกิดภาพในมิตเกี่ยวกับเครื่องที่เขาไปทำนั่นขึ้นมาในสมาธิเมื่อเขารู้เห็นอย่างนั้นเขาก็รีบบันทึกเอาไว้ตื่นเช้ามาก็ไปทำทำก็สำเร็จตามที่ต้องการ อันนี้เป็นหลักฐานอันหนึ่งสมาธิที่สนับสนุนกิจการที่ทำอยู่ได้เมื่อไม่ดานมานี้มีนักธุรกิจท่านหนึ่งไปหาธรมาที่วัดไปบอกว่าผมจะมาขอขก้นครูกรรมฐ า, านกับเราขุนเจ้าธรรมาก็บอกถามว่าคนมีอาชีพอะไรเขาบอกว่าเขามีอาชีพในทางประดิษฐ์สิ่งของขาย ไหนลองเล่าดูสิในขณะที่คนเคประดิษฐ์สิ่งของอยู่นั่นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาก็เล่าให้ฟังว่าสมมติว่าผมจะสร้างตุ๊กตาสักตัวหนึ่งผมก็คิดว่าควรจะทําศีรษะมันอย่างนั้นทําแขนทําขาส่วนประกอบอย่างนั้นอย่างนั้นพอเคลดไปเล่าเจ็ดมนันลกไปพักหนึ่งเกิดความสว่างขึ้นมองเจ็ดภาพตุ๊กตาที่จะสร้างขึ้น เสรแล้วก็ไปทำตามภาพในมิติมองเห็นติดออกมาก็เป็นที่ชอบใจของลูกค้าอาตม่ก็เลยบอกว่าคุณไป้องมาขึ้นครูก็มาฐานกับฉันหรอกคุณเก่งแล้วฉันภาวนามาตั้งแต่อายุสิบสี่ปีเดี๋ยวนี้หกสิบห้าปีแล้วยังไปดรริดของขายอย่างคุณไม่ได้คนทํนากรรมฐานของคนเรื่อยไปถ้าคนอยากจะให้กรรมฐ า, านของคนมีประสิทธทิภาพดียิ่งขึ้นให้คนมีศีลห้าชัก รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์สะอาดแล้วก็คิดดิ์สิ่งของขอคุณต่อไปแล้วคุณจะูลคการิงของธรรมะเองอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของบุคคลผู้สามารถทำสมาธิให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันได้ในบรรดาท่านทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมอยู่ดีอาจจะมาข อ, อยืนยันว่าท่านเคยฝึกสมาธิมาแล้ว และได้ใช้สมาธิให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตัวเองมาแล้วทุกท่านท่านฝึกสมาธิอย่างแท้จริงมาแต่เมื่อไรตั้งแต่ท่านเริ่มเรียนหนังสือตัวแรกแต่ครูผู้สอนหนังสือท่านเขาไม่ได้บอกว่าท่านเขาฝึกสมาธิท่านและท่านก็ไม่รู้ว่าท่านฝึกสมาธิแต่แท้จริงมันเป็นการฝึกสมาธิตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือมาทีเดียว เมื่อท่านไม่มีพลังสมาธิเรียนจบปริญญามาได้อย่างไรเมื่อไม่มีสมาธิทำงานใหญ่โตสำเร็จได้อย่างไรเมื่อไม่มีสมาธิปกครองคนหมู่มากได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องใช้สมาธิอย่างหนักท่านผู้เก่งในทางไฟฟ้าเนี่ยเก่งสมาธิมาแล้ว แต่ยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองได้ฝึกสมาธิและได้ทำสมาธิและได้ใช้ประโยชนสมาธิให้เกิดประโยชน์มาแล้วเพราะไม่มีผู้บอกทานนี้ก็เห็นจะเป็นว่าเราเข้าใจว่าโลกกับธรรมมันหันหลังให้กันเราก็ได้ยินพระท่านเทศว่าคาดีโลกกับคดีธรรม ในเมื่อเราตีความหมายของคาว่าคดีโลกคดีธรรมไม่แตกเราก็เลยเข้าใจว่าโลกกับธรรมต้องหันหลังให้ ก, กันแต่ลอยโอยหลักธรรมชาติของความเป็นจริงแล้วเรื่องของโลกเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติโลกนี้เองเป็นผู้แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เรารู้โลกนี้เองเป็นอารมณ์ที่มาแย่จิตใจของเราให้เกิดอารมณ์ความสุขหลความทุกข์ โอกนี่แลเป็นฐานที่ตั้งแห่งการฝึกจิตรวมความแล้วว่าการฝึกจิตในเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเราอาศัายกายกับใจเป็นหลักทำกติและเลิกโลดอยู่ในกายเรียกว่าตายานุปัสสนาสติปัฏฐานกำหนดโลภสุขทุกข์กที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน กำหนดทำสติตามรู้การคิดอ่านของตัวเองเรียกว่าจิตต า, า, านุปัฏนาสติปัฏฐานการที่เอาจิตจดจ่อพิจารณาจ้องดูอยู่กับอารมณ์ที่เกิดจากจิตและความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตทำอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเช่นจิตใจที่ใฝ่หาความสุขเรียกว่าตามมาฉันท์คาดีวอน หรือพยาบาทเจตใจที่คิดตัดกรรผลประโยชน์ในการปฏิบัติความลังเลสงสัยในการปฏิบัติว่าจะเอาจริงหรือไม่จริงเราเอาเจิตใจจอ่อจ่อพิจรารณารู้อยู่อย่างนี้เรียกว่าธรรมานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเรากําหนดจิตของเราหลับตากําหนดจิตพับลงไปเราก็รู้ทันทีว่าเรายังมีกายอยู่ ติแล้วเลิกโลยู่ที่กายก็เรียกว่าตาญานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อสติกำหนดโลสุขทุกข์กที่เกิดขึ้นที่กายก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติตามกำหนดโลความคิดอ่านซึ่งเกิดดับจุกัจิตเรียกว่าติดตานุปัสสนาสติกำหนดโลความหมุดหิดข้นงานในการที่จะปฏิบัติหรือการทํางานเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน นี่ถ้าเรากําหนดเอาอย่างนี้เราจะมองเห็นทำได้อย่างง่ายๆแม้ว่าเราอาจจะกําหนดจิตคอยจ้องดูความคิดอ่านที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ทุกขณะจิตเมื่อเราเอาความคิดเป็นสิ่งรู้เอาสติละเลึกรู้อยู่กับความคิดนั้นจะทําให้สติสัมปชัญญะของเรามีสมรรถภาพมีพลังงานแข็งแข้มแข็งขึ้น เพระโดยธรรมชาติของติดถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกความมั่นใจและสติสัมปชัญญะจะเพิ่มพลังงานขึ้นทุกทีเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเราสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงความของความคิดในแง่อานิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะแก่กล้าเพื่นกลเป็นตัวปัญญาเราสามารถที่จะตําหนดรู้ได้ว่า อารมณ์ที่เกิดขึ้นปัสิสติสิ่งใดที่ทําให้เราพอใจยินดีสิ่งนั้นเป็นอิทธารล์มีแนวโน้มให้เกิดตา ม, มัจตันหาถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นเราไม่พอใจเป็นอนิสธารมล์มีแนวโน้มให้เกิดวิภวะตันหาถ้าเราไปยึดความยินดีและความยินร้ายทั้งสองอย่างมันก็กลายเป็นภวะตันหาเมื่อจิตของเรามีกามัตันหาภาวะตันหาอยู่ร้อง สุขทุกข์ย่อมเกิดขึ้นตามวาระความกิเลสและอารมณ์จะอำนวยผลให้ความสุขและความทุกข์ได้เกิดขึ้นกับจิตนั่นเองถ้าเรามีสติสัมปชัญญะพร้อมเราสามารถทีจะรู้ได้ว่านี่คือทุกขอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้ถ้าเราทำสติกำหนดตามพวกจิตและอารมณ์ของเราเราจะได้ความรู้ปรากฏ ข, ขึ้นมาจากนี้ เมื่อได้ความโลภปรากฏเด่นชัดขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเรารูธรรมเห็นธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนวันนี้ขอเปล่าบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติด้วยประการะชนิดมีปัญหาที่มีผู้เขียนถามมาการใช้ธรรมะโอสถรักษาโรค ของผู้ปฏิบัติใช้วิธีใดพิจารณาอย่างไรโรคจรึงจะหาย <c oughs> าการใช้ธรรมโอสถรักษาโรคอันนี้เอาความเป็นจริงที่เป็นประสบะการณ์ที่เกิดกับอาตมาเอง ในสมัยเมื่อระหว่างปีพศออ .2487-88 จะมาป่วยเป็นวันนรกการป่วยเป็นวันรกในสมัยนั้นยายุกยาที่จะรักษามันไม่ทันสมัยเหมือนอย่างทุกวันนี้ใครเป็นขึ้นก็คอยแต่ว่าจะต้องตายอย่างเดียว <c oughs> แต่เพราะอาศัยธรรมโอโสถเป็นเครื่องรักษาสมาชิงหลอดพ้นจากความตายมาได้ วิธีปฏิบัติที่ใช้เกี่ยวกับการรักษาโรคนี้เริ่มต้นด้วยการพิจารณาดูความตายเพราะในขณะที่จิตมันกําลังมีความทุรนทุรายเกี่ยวกับเรื่องการเป็นและการตายและแน่ใจว่าตัวเองจะต้องตายจิตหนึ่งก็มาคิดว่าก่อนที่จะตายควรจะรู้ก่อนว่าความตายคืออะไร ในวันนั้นอุตส่าห์ตั้งใจพิจารณาดูความตายอยู่ตั้งแต่สามทุ่มจนกระทั่งถึงตีสามการพิจารณาดูความตายก็เพียงแต่ว่านึกว่าเราเนี่ยจะต้องมีความตายเป็นธรมรมดาร่วงค้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องตายแน่ตายแน่แนแล้วก็อธิบายว่าความตายนะั้นมันเป็นอย่างไรความตายคือการขาดสูญสิน้นแห่งชีวิตอินทรีย์ ตายไปแล้วร่างกายมันก็แตกลับสลายตัวไปเป็นดินน้ำลมไฟเท่าทิศปติปัญญาพอที่จะพิจารณาได้พิจารณาอยู่ตั้งแต่สามทุ่มจนกระทั่งถึงสี่สามความสงบนิดหน่อยไม่ได้บังเกิดขึ้นมีแต่ความทุรนทุรายแต่นั้นว่าสู้ทนต่อความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ จิตหนึ่งมันก็คิดขึ้นมาว่าควรจะพักผ่อนให้สบายเสียก่อนฝากไว้วันหลังค่อยพิจารณากันใหม่ทีนี้พอตั้งใจจะพักผ่อนจิตหนึ่งมันก็ผุดขึ้นมาว่ามีอย่างที่ไหนเขานอนตายกันทั้งโลกท่านจะมานั่งตายมันจะตายได้อย่างไรเอาทางนั้นก็นอนตายสิทีนี้พอนอนลงไปก็ไม่เน้นึกถึงเรื่องความตายก็กำหนด จ, จิตตูลมหายใจเฉย ที่ไ้หนักหักเข้าลมหายใจมันก็ค่อยเ บ, ล บ, า, ลบาลงเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงแล้วในที่สุดมันรู้สึกว่ามีแสงแห่งวิญญาณมันลอยหมุนขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ย้อนกลับลงมาเคล้ายๆกับ ว, ว่ามันมันจะไปหรือไม่ไปมันยังห่วงหน้าห่วงหลังอยู่ลองพลสุดท้ายมันก็ถียบตัวขึ้นไปลอยเหนืออยู่เหนือร่างกาย แล้วก็ส่งแสงลงมาดูล่างกายส่วนร่างกายนี้ก็เคลื่อนเอิดเน่าเปื่อยปูพังสลายตัวลงไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือแล้วมันก็เป็นย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นสามสี่ครั้งจนกระทั่งรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเมื่อเมื่อสองมงเชาแปดนาฬิกาทีนี้ก่อนที่จะรู้สึกตัวขึ้นมานี่มันมีความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นมาว่านี่หรือคือการตาย แต่แล้วคำตอบมันก็ปวดขึ้นมาว่าใช่แล้วพอใช่แล้วแสงก็ไดมันต่อฮุบลงมาค่อยๆมาประทะับท่ ท, ที่หน้าอกนี่แผ่วๆทีนี้ตอนที่มันมาประทับในตอนรอแรกๆนี่รู้สึกว่ามันมีอาการสู้ซาวิ่งไปทั่วร่างกายมันเหมือนกับขีดยาแคลเซียมอย่างแรงนันเนี่ก่อนกหนดจิตตามเราจนได้สติตั้งใจว่าเรานอนอยู่ในท่าไหนหันศีรษะไปในทางใด เรากาหนดจิตจากอะไรจนกระทั่งแน่ใจว่าเรามีความรู้สึกอย่างแท้จริงแล้วก่อนที่จะลืมตาขึ้นมามันยังสงสัยจะงว่าเอ๊ะเราตายจริงหรือเปล่ายกมือสองข้างมาคลำดูหน้าอกก็ยังรู้สึกว่าอ๋อยังอยู่ยังไม่ตายลืมตาขึ้นดูนาฬิกาสองโมงเช้าทีนี้หลังจากนั้นโครคไข้ไข้เจ็บที่เป็นอยู่มันก็ค่อย ค่อยหายวันหายคืนมาจุกระทั่งบัดนี้คล้ายๆกับว่าไม่ได้ทานยาอะไรมันก็หายขมันมาเองอันนี้เป็นประสบะการณ์ที่หลวงพ่อได้ประสบมาด้วยตนเองทีนี้วิธีการที่จะรักษาโรคให้มันหายหลายมันก็มีหลายๆวิธีการใช้ธรรมโอสถหนึ่งอาศัยความเชื่อมั่นโดยอาศัยอะไรเป็นสิ่งยึดของจิตให้เหนียวแน่นซักอย่างหนึ่ง จะเป็นพระพุทธโลกหรือโครูบาอาจารย์องค์ใดที่เราเชื่อมั่นว่าท่านอาจจะมีพลังจิตพลังใจพอที่จะช่วยเราได้เราน้อมจิตน้อมใจน้อมคุณของท่านมาอธิษฐานแล้วก็ช่วยรักษาให้โรคหายหรือบางทีเราอาจจะทำสมาธิให้จิตสงบระว่างลงไปพอเป็นอุปจาระสมาธิเราเข้าใจว่าโรคของเรามันเป็นอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็พยายามส่งกระแสจิตแท่งไปตรงที่จุดที่มันเป็น ทำบ่อยๆเข้าแล้วโครคภัยไข้เจ็บมันก็จะหายไปถ้าหากว่าไม่ใช่โรคกมโรคเวรจริงๆสามารถที่จะรักษาด้วยพลังจิตได้ทีนนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถทำสมาธิในขั้นอุปจารสมาธิทาใจให้สงบสว่างแล้วก็ยักยั้งสมาธิอันนี้ไว้ได้นานๆอันนี้มีโอกาสที่จะรักษาโรคของตัวเองแรืของผู้อื่นให้หายได้ ถ้าจะช่วยคนอื่นเพราะการโนดมเจตทำเจตให้สว่างแท่งกระแสจิตเข้าไปที่ร่างของคนไข้แล้วไปตรวจดูจิตที่สงบสว่างเนี่ยพอแท่งไปที่ตรงไหนมันจะมองเห็นส่วนสัตว์ในร่างกายของคนอื่นได้อย่างชัดเจนเมื่อไปมองเห็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นอยู่ที่ไหนพยายามแท่งกระแสจิตแผ่เมตตาให้ตรงนั้นมากๆแล้วมันก็จะค่อยๆหายไป มันเหมือนกันก็ไอ้ที่เขาใช้คาถาเสกเป่าอะไรกระดูกแตกกระดูกพักเสกน้ํามันไปทาแล้วก็เป่ า, ปามันก็ดูมันต่อกันได้อันนี้ก็ใช้พลังสมาธิเหมือนกันแต่ในการที่จะใช้พลังสมาธิไปรัรกษาโรคของตัวเองให้หายได้นี่เพียงแต่ทําสมาธิให้จิตมันสงบนิ่งสว่างจิตสงบนิ่งสว่างถ้าสามารถเอาพลังจิตมา มองดูภายในกายของเรานี้ให้เห็นวิญวะทุกสิ่งทุกส่วนได้แล้วก็อธิษฐานจิตให้พลังจิตนี้ช่วยรักษาโรคให้หายก็หายได้ถ้าไม่ใช่โรคดำจริงๆแล้วก็สามารถจะรักษาให้หายได้อ่าปัญหาที่สองการพิจารณาตาชวกตาได้ประโยชน์อย่างไรบ้างพิจารณาจากเบื้องต้นจนถึงที่สุดด้วยวิธีใด และจะได้ท ร, รมะอะไรบ้างการพิจารณาตายกตาสติตายกตาสติก็บ่งบอกชัดอยู่แล้วกายเป็นที่ตั้งของสติในเมื่อเราเอาสติบารึกมาระลึกลกอยู่ที่กายเพียงจะนึกว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามอาการสามสิบสอง เพียงแต่เลิกไปทีละอาการทีละอาการด้วยความแน่ใจเป็นอบายทําให้เกิดพลังจิตอย่างหนึ่งคือสตินัดนัดเข้าเมื่อเราละเลิอกอยู่บ่อยๆจิตสามารถที่จะสงบลงเป็นสมาธิได้สงบลงเป็นสมาธิได้ยานได้ฌานอะไรต่างดังที่พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านเทศในเมื่อเราตั้งใจละเลิอกอยู่ในกายคือกายจักราสติเนี่ย แม่จิตจะยังไม่สงบแต่เราจ ะ, จะได้พลังงานทางสติเพิ่มขึ้นทุกทีเพราะโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นที <c oughs> นี้วิธีเบื้องต้น <c oughs> มันมีอยู่สองวิธีเวทีหนึ่งระลึกไปตามอาการสามสิบสองจนจบอีกวิธีหนึ่ง เทพครูบาอาจารย์ทางฝ่ายนี้ท่านนิจมชัยแม่ดาลูกติดให้ทําให้กําหนดจิตแห่งลงที่หน้าอกกําหนดลอกหนังออกแล้วก็ถือเนื้อล่าออกนึกให้มันถึงกระดูกนึกย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่จนกระทั่งเกิดความแน่ใจว่ามีกระดูกอยู่ตรงบริเวณหน้าอกแล้วฝ่ายหลังก็แห้งจิตลงที่ตรงนี้ที่หน้าอก เราก็นึกบริกรรมภาวนาว่าอาทิอาทิหรือกระดูกกระดูกกระดูกจ้องอยู่อย่างนั้นเมื่อเจตสมโพรงเป็นสมาธิแล้วเราจะมองเห็นกระดูกบริเวณหน้า อ, อกหรือบางทีอาจจะมองเห็นทั่วทั้งตัวก็ได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งและวิธีเบื้องต้นที่สุดก็คือว่าผมผนและปันหนังอันนี้เป็นมูลกรรมฐานที่พระอุปัชฌายะทั้งหลายท่านสอนให้คุณบุตรของท่าน รีบเล่นพิจารณาก่อนอื่นเพราะกรรมฐานห้าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายแห่งความสวยงามเละความไม่สวยไม่งามคนเราผู้ยังมีกิเลสอยู่มันติดกันอยู่ที่ผมขนเล็ฟันหนังถ้าว่าสิ่งห้าอย่างนี้มีอันพิคนที่การวิปลิตไปใส้สัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็หมดสวยหมดตามไม่มีใครชอบ เพราะฉะนั้นท่านจึงเร่งให้พิจารณากรรมฐานห้าก่อนอื่นอันนี้ก็จัดอยู่ในหมวดแห่งการเจริญกายยัคกตาสติเหมือนกันทีนี้ธรรมะอะไรบ้างที่เราจะได้จากการพิจารณาตายคกตาสติธรรมะที่เราจะเพึ่งได้อย่างเด่นชัดที่สุดก็คือตัวสติเมื่อได้สติสัมปชัญญะเป็นตัวเด่นชัดขึ้นความมั่นใจคือสมาธิย่อมเกิดขึ้น เมื่อเรามีสมาธิความมั่นใจความปกติของจิตก็บงังเกิดว่ามีความปกติของจิตปกติตัวนี้เป็นตัวศีระคือความปกติของจิตในเมื่อจิตมีความเป็นปกติไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆเจตก็อยู่ในอาการสงบนิ่งพร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะเมื่อจิตมีศีลคือตัวปกติสัจจะความจริงใจย่อมบงังเกิดขึ้น เพราะอาศัยปีติและความสุขเป็นเครื่องจูงใจให้เกิดความจริงใจเมื่อมีความจริงใจแล้วเจิตอยูในอาการสงบนิง่งในบางครั้งจิตเอ อ, อาจจะเกิดมีพลังงานเกิดการไหวตัวการไหวตัวพักอาศัยการที่จิตมีความเป็นปกติย่อมรับรู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นด้วยความเป็นปกติแต่แต่ว่ารู้สิ่งนั้น คอยจ้องดูอยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเป็นอาการของสุตตะคือจิตสดับฟังเหตุการณ์อยู่ภายในจิตเมื่อจิตมีการสดับฟังอยู่ภายในจิตอะไรเกิดขึ้นดับไปจิตรู้สับแต่ว่ารู้รู้ด้วยความมีสติปัญญาปัญญามัก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นจิตจ้อมรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงของสภาวะนั้นๆเมื่อเกิดมีความรู้แจ้งเห็นจริง เหตุจริงเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงเกิดความรู้คือปัญญาขึ้นมาแล้วเห็นด้วยกับความรู้นั้นเรียกว่าญาณทัศน์ในเมื่อจิตมีความรู้แล้วก็เห็นด้วยกับความรู้รู้จริงเห็นแจ้งลงไปปหานะคือจาระตะตัวจาคะตการสละคื น, นซึ่งกิเลสย่อมปรากฏขึ้น ตายเป็นปหาตับธาตุเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ในเมื่อผลงานที่มันเกิดขึ้นแล้วตัวปกติคือตัวปกติของจิตนี่ปรากฏจากเด่นชัดในเมื่อตัวปกติปรากฏขึ้นนั่นแหละคือศีลโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นในใจของเราแล้วในเมื่อเรามีศีลแล้วก็มีสัตว์มีสัตว์แล้วก็มีสุตตะจิตมีสติปัญญาคอยจดจ่อฟังอยู่ภายในจิต อะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้สักแต่ว่ารู้รู้แล้วไม่ยึดถือสิ่งนั้นยานามัตตายะอาศัยแต่เพียงว่าเป็นสิ่งรู้ปัตติสติมัตตายะอาศัยแต่เพียงแค่ว่าเป็นเครื่องระลึกรู้แล้วปล่อยวางไปไม่ยึดในสิ่งใดๆเมื่อเป็นเช่นนั้นในเมื่อเจอตมีศีละความปกติมีสัจจะความจริงใจมีสุตะการสดับปรับฟัง มีความรู้แจ้งเห็นจริงจากระการสละคืนซึ่งกิเลสย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อปัญญาละจาคะามีพลังเข้มแข็งประกอบด้วยตัวสติเป็นตัวเด่นวิมุติคือความหลุดพ้นย่อมบังเกิดขึ้นตามขั้นตอนมีคัมพณะณ์วิมุติข่อมกิเลสได้ชั่วขณะหนึ่งสมุเทเทววิมุตตัดกิเลสได้โดยเด็ดขาดตามขั้นในภูมิของจิตที่จะพึงอํานวยให้อันนี้เราจะได้ธรรมะอย่างนี้ และโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งตัวเด่นชัดที่สุดก็คือตัวสติการเจริญคัจตายกตาเนี่ยได้สติเป็นหลักเมื่อได้สติแล้วสติตัวนี้มีพลังงานแล้วสามารถที่จะปฏิวัติจิตให้เกิดภูมิความรู้หรือภูมิมทําได้โดยเองโดยอัตโนมัติการพิจารณาขันห้าพิจารณาอย่างไรการล้างสัญญาเดิมที่ติดมากับจิต จะล้างได้อย่างไรการพิจารณาขันห้าโดยขั้นแห่งปฏิปทาคือการภาคปฏิบัติเราใช้การพิจารณารูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามสัญญาที่เราเรียนมาก่อนเอาความรู้ที่เราเรียนเราจํามาได้โดยสัญญาพิจารณาจนมันเกิดความคล่องตัวเช่นเราจะพิจารณาว่ารูปนี้มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไร หนเม่ได้คำตอบแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรไปจนกระทั่งเราหมดหมดคํำตอบแล้วก็หมดคันถำทพิจารณาย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาสร้างความเป็นไปของจิตให้เกิดความคล่องตัวจนกระทั่งจิตมันสามารถพิจารณาขันท่าเองโดยอโดยอัตโนมัติอันนี้คือวิธีการพิจารณาขันท่า เพียงแต่ว่ารู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเขาจะรูข้ขันห้าครบทั้งหมดหนึ่งรู้ว่าเรามีกายคือมีรูปใ น, เ ม, มม เ, นเมื่อมีกายก็ยังมีเวทนาเมื่อมีกายยังมีสัญญาเมื่อมีกายก็ยังต้องมีิสังขารเมื่อมีกายต้องมีวิญญาณเพราะกิริยาอาการแห่งการปรุงแต่งแต่สิ่งรู้ทั้งหลายเนี่ยลาําพังไปจิตอันเดียวเนี่ยเข้าเพียงแต่รู้อยู่เท่านั้น แต่ถ้าเมื่อมีกายแล้วเขาจะตรงแต่งให้เป็นไปต่างๆตามกิเลสและอารมณ์ของเขาซึ่งจะมีสิ่งมากระตุ้นเตือนการล้างสัญญาเดิมที่ติดมาสติดจ่ล้างได้อย่างไร